วันที่13กันยานะก็เป็นวันครบรอบปีนะที่หลวงประเทียนได้รับสังขาญจากวันนั้นถึงวันนี้ก็16ปีแล้วหลงปียนรละสังขานที่สำนักทับมิ่งขวันนะเบิงเลยสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือนะปี31 เพราะฉะนั้นกว่าข่าวจะมาถึงที่นี่สุกโตนี่ก็ประมาณตอนเพลนพอดีนะกำลังชั้นเพลนของมาที่14ก็มีพระจากที่อื่นมาแจ้งข่าวการมรณภาพของหลวงพ่อเทียนสมัยนั้นก็ใช้วิธีส่งข่าวเป็นทอดๆจากวัดนั้นมาวัดนี้จากวัดนี้มาวัดนั้น ก็ไม่ทราบว่ากี่ทอดนะก็จะมาถึงวัดป่าสุกโตหลวงพ่เทียนมีอายุนะรวมทั้งหมดก็เจสิบเจดปีอ น, น้อยก็หลวงพ่อคำเขียนนะหลวงพ่อคำเขียนก็เจนะ็ดสิบแปดวันที่มรณภาพก็ใกล้ๆกันนะห่างประมาณสามอาทิตย์พอดีเลย สำหรับพวกเราซึ่งเป็นรู้สึกของหลวงพ่อคำเขียนนะหลวงพ่อพเทียนก็ถือว่าเป็น ป, า, า, จ า, ป า, าจารย์ปาจารย์หรือปารยะป้าจารยะแปลว่าอาจารย์ของอาจารย์เป็นอาจารย์ของอาจารย์พ่อหลวงพ่อคำเขียนก็เลยรู้ทำจากหลวงพ่อพเทียนก็นับถือว่าเป็นอาจารย์จะเรียกว่าอาจารย์คนเดียวของท่านเลยก็ว่าได้ หลงพเทียนเป็นพระที่มีรูปร่างเล็กนะตัวอแบบแบบบางนะตรงข้าของหลวงพ่อกำเขีย น, นท่านมีพื้นฐานนะก็เรียกว่ามีฐานนะมีอาชีพเป็นพ่อค้าที่ค้าขาย แถวเนี่ยฝั่งเชียงคานกับมืองเลยข้ามไปที่เมืองลาวมีเรือขนสินค้านะขึ้นล่องนะแม่น้ำโขงเชียงคานที่เดี๋ยวนี้ทุกคนก็รู้จักกลพลากันไปเที่ยวแล้วก็เป็นบ้านของท่านฐานะท่านก็ดีทีเดียวนะตรงข้าหรือพ่อคำเขียนหรือพ่อคำเขียนนี้ ฐานะยากจนนะท่านต้องเลี้ยงดูครอบครัวมาตั้งแต่อายุสิบแดสิบสองเพราะว่าบิดาอาศัยนะชีวิตตั้งแต่ท่านอยู่ปอสองปอส า, ามแล้วพ่เขียนเป็นทุกชายคนโตก็ต้องเป็นหลังครอบครัวนะช่วยทำนาช่วยทำไร่ทำสารพัดนะทำนาตั้งแต่เช้าจดข้าบางทีไม่ได้นอนก็มีไม่ได้กลับไปบ้านนอน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 เรื่องบุญเรื่องกุศลนี่ท่านเต็มที่แต่ว่าทำบุญให้ทานแล้วก็ยังมีความทุกข์ถ้าเรา่าจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือตอนอายุ40ตอนนั้นไปเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นที่เมืองเลยเมืองลาวแล้วท่านก็มอบหมายให้ภรรยาเนี่ยทำหน้าที่ดูแลเรื่องการใช้จ่ายไม่ว่าค่าอาหารค่ามหมอหรสพหมอลา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 เพราะว่ามอบหมายภรยาให้รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วยังต้องมาถามท่านอีกและความโกรธนะันก็อยู่ในใจนะแต่ท่านไม่แสดงออกเก็บอารมณ์เก็บอาการไว้ได้จนถ้า ง, งานเลิกแล้วงานเสร็จแล้วกินข้าวเย็นนะท่านก็ยังมีความขุ่นเคืองอยู่ก็พูดเปรยๆออกมาให้ภรรยาได้ยินในในวงข้าวเนี่ย คนไม่เคารพนับถือกันมันก็อย่างนี้แหละถ้พูดอย่างนี้หลายครั้งน้ําเสียงแล้วก็คําพูดก็ทำให้ภรรยาท่านเอกใจขึ้นมาแล้วก็เลยถามว่าเนี่ยเป็นเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าที่ไปถามเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมนวัาเทียนท่านก็ตอบว่าใช่ภรนะรยาท่านก็บอกเนี่ยโอยอย่างงี้อย่างงี้ก็ตกนรกแล้วละ่ะทำบุญ ถ้าก็ถิ่ไม่ได้บุญหลอกเนี่ยตกนรกแล้วตกนรกในแง่ที่วาเนี่ยจิตใจไม่เป็นกุศลนะเป็นคําทักท้วงที่ทำให้ท่านนะได้คิดทีเดียวคนเวลาโกรธเนี่ยโดนภรรยาทักท้วงแบบนี้อาจจะยิ่งโกรธหนักเข้าไปใหญ่ถามว่าทำบุญแต่ตกนรกนะแต่ว่าท่านกลับได้คิดขึ้นมาว่าเออใช่นะเราทำบุญมาเยอะละ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 ก็ทําให้น้องเข้ามาสู่ตัวเนี่ยเราก็มีรูปมีนามเป็นรูปเป็นนามตรงนี้ก็เป็นจุดชนวนะจุดประกายทําให้ท่านเกิดความเข้าใจรือรูปนามแล้วการรู้ธรรมของท่านก็เรียกว่าเร็วมากนะภายในเวลาสองวันก็รู้ธรรมมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตอยู่หลายครั้งสองสามครั้งจนกระทั่งท่านสามารถจะยืนยันว่าท่านหมดทุกข์แล้วไม่มีความทุกข์อีกต่อไป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 อาตอมาก็มีโอกาสได้ไปสนทนาธรรมกับอาจารย์โกวิดตอนนั้นไปกัน2คนนะไปกับรสนารสนาตอนนั้นก็อยู่ปี2ธรรมศาสตร์อาตมาหยุดปีหนึ่งก็ไปสนทนาธรรมกับอาจารย์โกวิดย์พระธนเจ้าโกวิดนี่เป็นที่มีชื่อเสียงมากในหมู่ปัญญาชนที่สนใจธรรมะเพราะว่าการสอนธรรมะของท่านใช้ภาษาสละสลวยแล้วก็ตรงเข้าหากแก่นธรรมแต่อาจารย์โกวิทนี่หนักทางด้านการเทศนะ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 ภาษากลางท่านก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่คล่องแคล่วอยู่แล้วแล้วก็โดยพื้นเพลท่านก็เป็นคนที่พูดน้อยนแต่ว่าในภาษานั่นแหละนะที่ทําให้หลวงอาจารย์โกวิดนี่เกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าได้มารู้จักหลวงพ่อเทียนแล้วก็ทึ่งในปัญญาของท่านทีแรกเนี่ยคนพระพระที่มาปฏิบัติที่วัดสนามในก็มาเรียนธรรมะ ก, กับอาจารย์โกวิดนะอาจารย์โกวิดท่านก็สอนสอน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 อาจารย์กวิทนี่ท่านเป็นลูกศิษย์คนสำคัญของทาอาจารย์พุทธทาสนะแต่ตอนหลังก็หันมาศรัทธานับถือหลวงวัดเทียนะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งอาจารย์พุทธทาสนะก็จุดนั้นแหละที่ทำให้หลวงวัดเทียนเริ่มเป็นที่รู้จักนะของคนในเมืองคนกรุงเทพยิ่งตอนหลังท่าน ม, มาบุกเบิกที่วัดสนามในเนะมืองนนก็ทาให้นักศึกษาก็ดีนะ โดยเพราะที่ธรรมศาสตร์อาจารย์สนใจพวกจุนุพุรธมาสร์ก็เริ่มไปปฏิบัติธรรมที่วันสนามไหนซึ่งตอนนั้นก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นสวนเป็นยังเป็นสวนอยู่นะเข้าถึงลำบากลดลาก็ไม่มากท้านที่มันก็สมัยนี้ถือว่าใกล้มากแต่สมัยน้นการคมนาคมก็ไม่ดีนะนักศึกษาธรรมศาสตร์พวกปัญญาชนก็เริ่มเข้ามา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 นั่นแหละนะให้เห็นข้างนอกข้างในนะผมว่าคาเขียนนั่นก็ ท, ที่แรกท่านก็ยังไม่เข้าใจนะว่าหมายถึงอะไรแต่สุดท้ายนก็เขาก็เข้าใจวาเนี้ว่าหลวงพ่อเทียนมาแน่ว่าอย่าไปเพ่งนะเพ่งข้าในต้องรู้ข้างนอกด้วยท่านก็แนะนำพระที่หนักไปทางสมถะเยอะนะเพราะพระสมัยนั้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งสมัยนี้ก็ยังหนักไปทางด้านสมถะอยู่คารวะ ด, ด้วย มนีเรื่องลาว่าบางทีท่านก็เดินนะเอาผ้าเนี่ยคลุมศีรษะเดินผ่านให้ลูกศิษย์เห็นว่าผ้าคลุมศีรษะนะคงยปนผ้าอาน้าฝนนี่แหละแล้วก็ดึงผ้าออกเป็นปริศนาที่จริงท่านพยายามสอนนะปริศนาด้วยปริศนาว่าเนี่ยอย่าไปอย่าไปอยู่กับสมถะนีอย่าไปอย่าไปเพ่งนะให้ออกมาเห็นข้างนอกนะ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 แนะนำให้ยกมือสร้างจังหวะพอสร้างจังหวะเป็นแล้วก็พูดเนี่ยนะทำเล่นๆแต่ทําจริงๆนะท่านก็ให้เราปฏิบัตนะิแต่ว่าเช้าเย็นเช้าเย็นท่านก็มาสอนนะท่านก็มาขึ้นเทศเนะี่ยหลังทําวัดเนะแบบนี่ยแบบเนี้ยท่านก็เทศครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านรุ่นแรกๆก็บอกว่าเนี่ยท่านเทศท่านพูดมากขึ้นแต่ก่อนท่านไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ แล้วท่านก็เรียนรู้การเทศเนี่ยส่วนหนึ่งก็คงจากถ้านาจากพุทธทาสด้วยตอนที่จะมาปฏิบัติกับท่านที่วัสนามในก็กุติย่อเพิงดีกว่านะเป็นเพิงคล้ายๆเพิงลิเกนะเป็นเวทีลิเกคือมีฝา3าฝาแล้วก็อีกด้านนึงก็เปิดโล่งไม่มีหน้าต่างอยู่ใกล้ๆอยู่ข้างหลังกุติท่านบ่ายๆนี่ก็จะได้ยินเสียงท่านเปิดเทปอาจารย์พุทธทาส ท่านเปิดเทพบที่ไปทุกบ่ายเลยเข้าใจว่าท่านคงจะศึกษาวิธีการเทศของท่านเจ้าพุทธทาะแล้วท่านก็มาปรับใช้เป็นวิธีการของตัวเองตอนที่ท่านมามากรุงเทพนี่ท่านก็ยังเขียนหนังสือไทยไม่เป็นนะก็ให้ครูบาอาจารย์สอนเช่นให้ลูกศษิษย์น่ะสอนหลวงเจ้าหลวงพ่อคำเขียนก็สอนการอา่านการเขียนภาษากลางภาษาไทยให้ท่าน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 ข่าวหนึ่งหมอสุวัฒนาอมอวัฒนาก็มาเล่าให้หลวงพ่อเทียนฟังเนี่ยด้วยความภาคภูมิใจว่าเนี่ยได้ไ ด, ได้พักเครื่องมานหมอวัฒนานี่ท่านเล่นพักเครื่องพักเครื่องเนี่ยอายุตัง700้งเจ็ดร้อยปีนะหลวงพ่อท่านก็ถามว่ามันทําจากอะไรก็ทําจากดินนะแล้วก็ทําจากสารโน้นสารนี้หลวงพ่อเทียนท่านก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ย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 หมอวัฒนาบอหลังจากนั้นก็ถอดพระเครื่องเลยนะมีบางคนก็มาคุยกับท่านว่าเนี่ยพระเครื่องรุ่นนั้นรุ่นนี้ดีนะทาให้คงกระพันนะทาให้เกิดความคงกระพันชาตรีหมอพระเจ้าก็ถามว่าคนทําตายหรื อ, อยังตายแล้วครับนะท่านก็เลยพูดว่าเนี่ยขนาดคนทํำยังตายเลยนะแล้วทำไมถึงคิดว่าไอ้ไอพระเครื่องนี้ไม่ทำให้ไม่ตายทําให้คงกระพันได้ นัท่านก็ถอดถอนความงมงายผู้คนแบบเนี้โดยการซักด้วยการโดยการพูดให้แบบแบบตรงไปถึงหัวใจเลยนะอีกเรื่องหนึงคือคือเรื่องเรื่องเรื่องน้ำมนต์น้ำหมากเนี่ยเคยมีคนนิมนต์ให้หลวงพ่อท่านไปทำน้ำมนต์แทนที่ท่านจะขอบาทนะแทนที่ท่านจะทำ น้ำมนต์ใส่เอาน้ำใส่บาตรเพื่อทำน้ำมนต์ท่านให้เจ้าเจ้าบ้านเนี่ยไปหากระมังมาแล้วก็เติมน้ำให้เต็มเลยเส่แล้วพอสวดเสร็จท่านก็เอาน้ำในกละมังเนี่ยสา์าไปทั่วบ้านเลยไม่ได้พรมน้ำมนต์จากจากบาตรนะแต่ว่าเอาน้ำเนี่ยจากกละมังเนี่ยสาดนักบวชเนี่ยเนี่ยเป็นมงคลนะเป็นมงคลช่วยกันเช็ดช่วยกันถูวนะันไหนจะเป็นมงคลทําให้บ้านสะอาด สวนน้ำมนตเนี่ยนะบางทีมันมีหญ้ามีมีสารอะไรบางอย่างมีหญ้ามีผักอะไรที่ทำให้คนแพ้ได้เจ็บป่วยได้ท่านไม่เอาเลยนะเรื่องน้ำมนต์เรื่องไซยาส์เรื่องสาสรพะพรหมสารสารต่างๆเนี่ยท่านไม่เอาเลยก็พยายามถอนให้พยายามลือพยายามถอน ให้คนรื้อถอนจากความเชื่อ น, นีนะ้คนไม่พอใจก็เยอะนะเพราะการที่ท่านสอนแบบตรงไปตรงมานะเรื่องศัยศาสตร์เรื่องความงมงายเรื่องน้ำมนต์น้ำหมากนะคนก็ไม่พอใจนะแต่ว่าคนที่นับถือท่านก็เยอะเลยเพราะลูกศิษย์ที่ลูกสิของพระพุทธทาสเนี่ยซึ่งก็เชื่อนในเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลอยู่แล้วก็น้อมใจเข้ามาหาหลงพ่อเทียนได้ง่าย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 เห็นอย่างเดียวเลยนะไม่ไม่เข้าไปเป็นนะรู้สื่ อ, อตอนที่หลวงพ่อคําเขียนท่านเห็นรูปนามหลังจากที่ปฏิบัติมายี่สิบวันนะท่านก็มีความดีใจนะมาเล่าให้หลวงพ่อเทียนฟังหลวงพ่อเทียนก็ก็พูดในทํานอมมันก็เบรกเนาะบอกว่าเนี่ยใครไม่เห็นรูปน้ำนก็บ้าแล้วคือท่านพูดเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องดีใจอะไรมากนะแล้วก็พูดบอกว่าเนี่ย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 ไม่ติดอยู่ในผลของการปฏิบัติชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครู่ชั่วยามวิธีที่หลวงพ่อเทียนสอนเนี่ยนะท่านจะมุ่งไปที่ตัวการตัวปัญญาโดยตรงเลยเป็นวิปัสสนาล้วนๆท่านเห็นว่าคนเนี่ยมักจะติดสมถะติดความสงบมากเพราะท่านนีงก็ติดมาแล้วนะเพราะนักการบิของท่านนี่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 เร็วๆในที่นี้คือไม่ได้เดินเชื่องช้าอันนี้เพราะว่าเพื่อปลุกท่านรู้ให้ตื่นเพื่อที่ได้ไม่ไม่เพื่อให้ผ่านความสงบนะพอตาสงบเมื่อไหร่ก็ติดเมื่อ น, นั้นเกิดความพอใจไม่เห็นเข้าไปเป็นเลยไม่ได้รู้สื่อแต่ขณะที่เดินตรงให้สอนเดินตรงกามสร้างจาังหวะเนี่ยหลายคนก็ติดสงบนะพอพอมีสติวาง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 เราคอยจำจีจำชัยสมัยอยู่กับท่านที่วัดสนามในท่านก็จะมาคอยสอบอารมณ์อยู่ทุกวันนะสอบคำตอบด้วยคำถามเดิมอันตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรท่านเพราะว่าพูดตอบคำถามเดิมๆตอบคาถามเดิมก็เบื่อเหมือนกันแต่หลวงพ่อเทียไม่เบื่อเลยนะนนก็มาถามถามถ้าไม่ว่างก็ให้อาจารย์ทองนะมามาสอบอารมณ์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 พอท่านไม่อยู่พอหลวงพ่อไปโรงพยบาบาลก็อาจจะปล่อยปะาละเลยในระยะหลังเนี่ยท่านหันมาเน้นหนักการสอนคารวานะโดยพระผู้หญิงที่ท่านกับที่ท่านย้ายไปตั้งสำนักทำบมิงขวัญเนี่ยก็เพื่อให้ผู้หญิงได้ปฏิบัติโดยตรงเลยนะให้ผู้หญิงได้มีชุมชนสาหรับการปฏิบัติเพราะทับมิงขวัญไม่ใช่วัด พออยู่วัดแล้วเนี่ยนะก็มีปัญหาญาติโยมนะอาจจะไม่พอใจที่คารหัดโดยพระผู้หญิงมาปฏิบัติไม่สะดวกท่านก็เลยย้ายนะจากเดิมที่เคยอยู่วัดสนามในยวัดโมก็ไปตั้งสำนักที่ทับนิ่งขวัญแล้วก็ให้ญาติโยมโดยพระผู้หญิงได้ปฏิบัติซึ่งลูกศิษย์เหล่านั้นก็ตั้งใจมากนะแต่ว่าก็ทําได้ไม่นานนะ หลวงพ่อท่านก็รักสังขานปี3าอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าย่อยๆนะเกีนะ่ยวกับเรื่องของพ่อเทียนที่อยากจะพูดถึงเพื่อเราเราลึกในฐานะที่ท่านเป็นอาจารย์ของอาจารย์ของเรานะเรียกว่าปาจารยะนะ์ยะแล้วก็เพื่อได้รู้ว่าเนี่ยที่เราฝึกปฏิบัติมีที่มาอย่างไรนะถ้าได้เราได้รู้จักหลวงพ่อเทียนเอาไว้นะก็จะได้รู้นะรากเหง้ากัาพืชหรือว่าต้นฐานของการปฏิบัติ อาวชานี่ก็าดกท่านี้นะกลับค่ะ